คือชีวิตศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก่อยตามพระราชดำริอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพศ2552เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงทั้งในอาเภออมก่อยและใกล้เคียง มุ่งเน้นการพัฒนาผ่านแหล่งศึกษาตามธรรมชาติด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแต่ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําในการส่งเสริมหล่อเลี้ยงกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะในฤดูแลง้งน้ําในแหล่งกักเก็บต่างๆแห้งขอด ทำให้กิจกรรมแปลงสาธิตแปลงทดลองพืชและพันไม้ต่างๆได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากกรมทรัพยากรน้ำจึงเข้ามาดำเนินโครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก่อยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท พ, พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยก่อสร้างระบบกระจายน้ำและถังกักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม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 1310กด5หรือ www.dwr.go.th